หลักธรรมนั้นเหมือนใบไม้ในไพ่กว้างทุกๆุกอย่างนั้นคือธรรมให้อ่านเขียนแม้ใบไม้ใบหนึ่งนั้นยังวกเวียนดังนี้ไซควรภาคเพียนเรียนรู้เอ่ย เรื่องเวลาต่อไปนี้เราก็มาฟังเรื่องธรรมกรรมมือเดียวธรรมกรรมมือเดียวเนี่ยคือเรื่องเกี่ยวกับการเจริญสติถ้าเรานำเอาการเจริญสติมาปฏิบัติถ้าก็ว่าเราเนี้ได้ปฏิบัติธรรม กรรมมือเดียวเช่นเดียวกันธรรมะกรรมมือเดียวนี่เราก็คงจะเคยได้ยินได้ฟังมาบ้างจากการอ่านการพูดคุยกันเรามักจะได้ยินเสมอว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยท่านทรงตรัสรู้ธรรมมากมายเปรียบเสมือนใบไม้ทั้งป่าแต่ท่านนําเอามาสอนกับสาวกกับพุทธบริษัทเนี่ย เพียงแค่ใบไม้กำมือเดียวเราจะเห็นปริมาณของใบไม้ทั้งป่าเนี่ยมีมากมายแต่เรื่องที่ท่านมออมสอนเนี่ยคือสอนน้อยๆสั้นๆกำมือเดียวก็คืออะไรก็คือเรื่องทุกข์กับการดับไม่เหลือแห่งทุกข์ความทุกข์แล้วก็การดับไม่เหลือแห่งความทุกข์เนี่ยอันนี้ถ้าว่าเป็นธรรมะกำมือเดียว เป็นใบไม้ให้กับมือเดียวที่มาให้เราได้ยินได้ฟังเลแล้วท่านยังชี้ไปว่าทุกเรื่องการดับทุกเนี่ยก็ไม่อยู่ที่ไหนหรอกอยู่ที่กายที่ใจเราเนี่ยอยู่ที่ตัวเราเนี่ยท่านยังเคยสอนว่าแน่เธอทุ ก, ก็ดีเหตุให้เกิดทุ ก, ก็ดีทางแห่งความดับทุกแล้วก็ความดับทุกทั้งหมดเนี่ย ตถาคตเนี่ยได้บัญญัติเอาไว้แล้ววิธีกายที่ใจเราร่างกายที่ยาประมาณวาหนึ่งที่มีพร้อมทั้งสัญญาและใจคลองเนี่ยคือที่กายที่ใจเราที่ยังเป็นๆอยู่เนี่ยท่านทรงชี้มาที่ตัวเราเนี่ยตัวเราเนี่ยกายกับใจเนี่ยถือว่าเป็นเป็นใบไม้กำมือเดียวเหมือนกันเป็นธรรมะกำมือเดียวที่เราควรจะต้องใส่ใจ เดี๋ยวนี้คนสมัยนี้นี่เขาไม่ค่อยสนใจเรื่องตัวเองเขาไม่จะสนใจแต่เรื่องภายนอกเรื่องผู้อื่นคือรู้เนี่ยรู้แต่เรื่องผู้อื่นเรื่องคนอื่นเนี่ยรู้เยอะรู้ละเอียดฉลาดนักเรื่องผู้อื่นแต่ว่าไม่ฉลาดในเรื่องเกี่ยวกับตัวเราจะสังเกตดูที่ว่าเรารู้เรื่องผู้อื่นนี่มากมายแต่ว่าตัวเราเนี่ยยังเป็นทุกข์แสดงว่าเรายังไม่รู้เรื่องตัวเรา ฉลาดเรื่องของคนอื่นแต่ว่าโง่เรื่องของตัวเราเพราะฉะนั้นติ่งทั้งหลายเหล่านี้นะ่ะเราต้องใส่ใจให้มากรู้เรื่องของคนอื่นแต่อย่าลืมเรื่องของตัวเราก็ในระยะนี้นี่ผมเองก็จะได้พบปากับญาติที่ทบางท่านเนี่ยท่านมีเจตนาดีคือว่าได้มีเพื่อนหรือคนที่รักคนใกล้ตัว เ, เจ็บไข้ได้ป่วยไม่สบายท่านก็จะ ไปเยี่ยมไปหาไปให้กำลังใจแต่เสร็จแล้วกลับมาเล่าให้ฟังว่าเขามีความทุกข์อย่างนั้นเจ็บป่วยอย่างนั้นอย่างนี้น่าสงสารก็มาเล่าให้ฟังบอกถึงสีหน้าอาการเนี่ยโอ้ทุรนทุรายมากจนเราเองต้องถามว่าใครกันแน่ที่ป่วยเพื่อนของเราหรือว่าเราเป็นผู้ป่วย ต้องถามเพื่อปลุกสติให้ตื่นขึ้นว่าใครป่วยใครไม่สบายพอสังเกตจาอาการแล้วดูเหมือนผู้เล่าเนี่ยป่วยมากกว่าคนที่ไปเยี่ยมไปหาเขาเลยนะดูอาการแล้วอาการหนักกว่าช่วยเขาอย่าลืมช่วยใจเราหากว่าใจเราไม่ดีแล้วไปเยี่ยมไปหาไปให้กําลังใจเขาเนี่ยมันจะไม่เกิดประโยชน์อะไรเปิดเผยทำให้คนไข้เนี่ยซุดหนักลงอีกเราต้องมีกําลังใจ ก, ก่อน จึงจะไปให้กำลังใจเขาต้องช่วยตัวเราเองให้ได้แล้วก็ไปช่วยเขาการปฏิบัติธรรมเนี่ยมีหลักอยู่ว่านอกจากเราจะไม่เบียดเบียนคนอื่นให้เดือดร้อนเราต้องไม่เบียดเบียนตัวเราให้เดือดร้อนด้วยใจะให้ดีแล้วก็ต้องไม่เบียดเบียนทั้งผู้อื่นแล้วก็ตัวเราให้เป็นทุกข์อันนี้สําคัญมากเป็นหลักธรรมในพุทธศาสนาเลยตัวเราต้องไม่เดือดร้อนช่วยคนอื่นต้องช่วยใจเรา ก็ยังได้พศปาพูดคุยกับจักษุแพทย์ท่านหนึ่งคือท่านเป็นคุณหมอชำนาญทางด้านเกี่ยวกับเรื่องตาทลายฟังว่าทุกวันเนี่ยเวลาท่านได้ตรวจคนไข้ที่เป็นโรคตาเนี่ยจะเป็นจะต้องผ่าตัดโดยเฉพาะเรื่องต้อกระจกเนี่ยท่านเคยนัดคนไข้มาผ่าตัดคนไข้แต่ละรายเนี่ย จะมีความกลัววิตกกังวลในขณะที่คุณหมอกําลังจะทําหน้าที่ผ่าตัดการผ่าตัดดวงตาเนี่ยก็จําเป็นต้องให้คนไข้เนี่ยอยู่ในอาการที่สงบนิ่งคุณหมอจะได้ทํางานได้สะดวกแต่ถ้าคนไข้มีอาการกลัววิตกกังวลเนี่ยคุณหมอก็จะทํางานได้ไม่สะดวกเพราะคนไข้นอกจากจะใจไม่นิ่งแล้วกายคนไข้ก็จะไม่นิ่งด้วยคุณหมอก็มีวิธี ช่วยเหลือคนไข้โดยการนัดแนะกับคนไข้ครับเวลาคนไข้ขึ้นมาบนเตียงพร้อมที่จะผ่าตัดเนี่ยคุณหมอท่านก็บอกว่าอย่าสนใจกับหมอนะว่าหมอจะกลังทําอะไรอย่าสนใจให้คนไข้เนี่ยสนใจอยู่ที่มือของคนไข้ในขณะที่คนไข้อยู่ในอิเลยาบทนอนเนี่ยให้มาระลึกรู้ลงไปที่มือของคนไขน้โดยการที่ให้คนไข้เนี่ยกำมือแล้วก็แบมือ กำมือและก็แบ ม, มือให้มีสติรู้อยู่ตรงที่มือกําลังกำกําลังแบให้รู้สึกตัวตรงนั้นตนะั้งใจรู้สึกตัวอยู่ตรงที่มือกําลังกำกําลังแบสนใจอยู่ตรงนั้นนะ่ะอย่าสนใจว่าหมอกําลังทําอะไรจัดแจงสั่งคนไข้เรียบร้อยเสร็จแล้วคุณหมอก็ลงมือทําการผ่าตัดต่อครจบแล้วใช้เวลาไม่ถึงครึ่งชั่วโมงนะ การผ่าตัดนั้นเสนด็จรุ่วรงไปด้วยดีคุณหมอก็ถามคนไข้ว่าปวดไหมกลัวไหมคนไข้ก็ตอบว่าเจ็บเหมือนกันแต่ไม่กลัวแปลกนะเจ็บแต่ไม่กลัวคุณหมออะทาไมไม่กลัวล่ะก็เพราะว่าคนไข้เนี่ยรู้อยู่ตรงที่มือกําลังกามกําลังแบแสดงว่าอาการความเจ็บอวยเนี่ยเจ็บทุกขเวทนาเนี่ยเราไม่สามารถจะห้ามได้ ย่อมเป็นไปตามธรรมชาติของการผ่าตัดแต่ว่าความกลัวเนี่ยมันย่อมเกิดจากความคิดปรุงแตง่งอันนี้ความคิดปรุงแต่งนี่แหละมันทำให้คนเราเนี่ยมันเจ็บมากกลัวมากแต่ถ้าเรามามีเจตนารู้ลงไปที่มือกำลังกรรมกาลังแบงง่ายๆใกล้ตัวเราเนี่ยความเจ็บย่อมมีอยู่แต่ว่าไม่เป็นทุกข์เพราะว่าอะไรเพราะไม่มีความกลัวที่เกิดจากความคิด การเจริญสติการทำความรู้สึกตัวเนี่ยจะสามารถตัดความคิดรู้ทันความคิดไม่ให้ความคิดมันเกิดขึ้นได้แม้ว่าทุกขเวทนาจะมีขึ้นแต่ว่าใจของผู้ปฏิบัติผู้ที่มีสติมีความรู้ตัวเนี่ยจะไม่ทุกไปด้วยคือทุกเฉพาะทางด้านร่างกายแต่ใจไม่ทุกแล้วเมื่อใจไม่ทุกแล้วเนี่ยเวทนาความเจ็บปวดต่างๆเนี่ยแม้ว่าจะรุนแรงเนี่ยจะไม่มีปัญหา สำหรับจิตที่มีสติเฝ้ารู้อยู่นี่คคุณหมอท่านช่วยทั้งตัวเองคือตัวคุณหมอเองสามารถทางานได้ตามปกติไม่มีอุปสรรคและแถมยังช่วยคนไข้ไม่ให้ทุกข์ด้วยคุณหมอก็เลยแนะนำว่าดีแล้วละ่ะเราไปฏิบัติอย่างนี้ได้ดีแล้วละ่ะเรากลับไปบ้านนะถ้าเราเกิดอาการกลัวอะไรก็ตามเนี่ยเราลองมากำมือแบมือแล้วก็รู้สึกตัวไปกลัวผี กลัวตายกลัวทุกข์ใช้ได้เลยแม้กระทั่งเกิดความกโกรธความหงุดหงิดไม่สบายใจความเหงาความเครียดถ้ามันเกิดขึ้นในใจเราขึ้นมาเมื่อไหร่แล้วก็ให้เราลองมามีสติอยู่กับการกำรร ม, มือแบมือแล้วก็รู้สึกตัวไปทำช้าช้าก็ได้ทำเร็วๆก็ได้ถ้ามันมีอารมณ์มากๆรุนแรงมากๆก็ทำเร็วๆแต่ถ้าอารมณ์มันไม่รุนแรงก็ทำช้าช้า ค่อยๆทําให้เร็วขึ้นมากขึ้นก็ได้โดยการมีสติตั้งใจรู้ลงไปที่มือกําลังกํกาลังแบคุณหมอเขาสอนให้นําเอาไปใช้ในชีวิตประจำวันเนี่ยคุณหมอเนี่ยท่านทําหน้าที่ผ่าตัดดวงตาภายนอกให้มองเห็นชัดเจนยังไม่พอนะยังช่วยผ่าตัดดวงตาภายในให้เกิดปัญญาเกิดแสงสว่างในด้านจิตใจด้วยช่วยทั้งคุณหมอและช่วยทั้งกนไข้ อันนี้เราถืว่าเป็นประโยชน์มากเพราะฉะนั้นชีวิตของเราเนี่ยในอนาคตข้างหน้าเนี่ยจะได้เ จ, เจออะไรบ้างเราก็ไม่ทราบอาจจะพบกับวิกฤตที่เราไม่อยากจะได้ผ่านพบแต่เราก็ได้ไดพบได้เจอเจอเพราะฉะนั้นไม่เป็นไรขอให้เราตั้งใจเจริญสติขยันสร้างสติให้ชำนาญทำให้ชำนาญเวลาเราเจอกับเหตุการณ์ต่างๆที่ไม่คาดคิดไม่คาคดฝัน หรือความทุกข์อะไรก็ตามเราจะได้มีสติมีปัญญาแก้ปัญหาเหล่านั้นได้อันนี้ถือว่าเป็นใบไม้กลอเดียวเหมือนกันคือเรื่องของสติแม้กระทั่งพระเจ้าเนี่ยก่อนที่ท่านจ ะ, สะเสด็จดับขันพรนิพพานเนี่ยท่านก็ยังเตือนสาวกเอาไว้ว่าสังขารทั้งหลายมีความเสื่อมไปเป็นธรรมดาท่านทั้งหลายจงถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทเ ความไม่ประมาตก็คือการเป็นอยู่อย่างไม่ขาดสตินั่นเองอันนี้ก็แสดงให้เรารู้แล้วว่าการมีสติทำให้เราไม่ประมาทการมีสติเป็นธรรมเอกแล้วก็เป็นธรรมะกรรมมือเดียวด้วย